Phong <Sanly> ในโลก ปัญิบปัญญาชนมา ทินพื้นดินสยามล้วนใจหมดหนามรูปค่ะของความเป็นไายโอวาตรพ่อไม้ที่เตือนจิตบัณฑิตปัญญา